3. แนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุทาจาร์หลวงปูดูนอัตุโล 1. คำปรารบหลวงปูดูนอัตุโลเป็นสิทธิ์รุ่นแรกสุดของท่านพระอาจารย์มั่นภูริะะทัตเถระ ภายหลังจากท่านออกเดินทุดงจนสิ้นทุระในส่วนขององค์ท่านแล้วท่านได้ไปประจำอยู่ที่วัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินตลอดมาจนถึงวันมรณภาพหลวงปู่เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและได้แผ่บารมีธรรมอบรมสั่งสอนสิทธ์ทั้งที่เป็นบรรญชิติและคฤหัตประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเป็นจานวนมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหลักปฏิบัติที่ท่านนำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่หลักธรรมของท่านหรือของอาจารย์ของท่านแต่เป็นพระธรรมคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานไว้นั่นเองท่านเพียงแต่เลือกเฟ้นกลั่นกรองนำมาสอนให้ถูกกับจริตนิสัยของสิทธิ์แต่ละคนเท่านั้นหลวงปู่มีปรติสอนเรื่องจิต จนบางคนเข้าใจว่าท่านสอนเฉพาะการดูจิตหรือการพิจารณาจิตคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านสอนไว้สารพัส ร, รูปแบบคือใครดูจิตได้ท่านก็สอนให้ดูจิตแต่หากใครไม่สามารถดูจิตโดยตรงได้ท่านก็สอนให้พิจารณากายคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนา เช่นเดียวกับที่ท่านพระอาจารย์มั่นสอนและในความเป็นจริงสิทธิ์ฝ่ายบรรพชิตที่พิจารณากายนั้นดูจะมีมากกว่าผู้พิจารณาจิตโดยตรงเสีอีก 2. เหตุผลที่ท่านเน้นการศึกษาที่จิตหลวงปู่พิจารณาเห็นว่าทาทั้งหลาย รวมลงได้ในอริยสัจ4ี่ทั้งนั้นและอริยสัจ4ี่นั้นสามารถรู้เห็นและเข้าใจได้ด้วยการศึกษาจิตของตนเองเพราะทุกนั้นเกิดมาจากสมุทยัยคือตัณหาหรือความทยานอยากของจิตและความพ้นทุกข์ก็เกิดจากความสิ้นไปของตัณหาแม้แต่มัดมีองค์8ซึ่งย่อลงเป็นศีลสมาธิและปัญญานั้น ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งสิ้นกล่าวคือศีลได้แก่ความเป็นปกติธรรมดาของจิตที่ไม่ถูกสภาวะอันใดครอบงำสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตและปัญญาคือความรอบรู้ของจิตท่านจึงกล้า ก, กล่าวว่าพระธรรมทั้งปวงนั้นสามารถเรียนรู้ได้ที่จิตของตนเองด้วยเหตุนี้ ท่านจึงให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการดูจิต 3. วิธีดูจิต 3.1 การเตรียมความพร้อมของจิตพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทะัตะเทระจะสอนตรงกันว่า จิตที่จะเจริญวิปัสสนาได้นั้นต้องมีสมาธิหรือความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นฐานเสียก่อนจิตจะได้ไม่ถูกกิเลสครอบงำจนไม่สามารถเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้หลวงปู่ดูลท่านก็สอนในลักษณะเดียวกันและท่านมักจะให้เจริญพุทธานุสติบริกรรมพุทโธหรือควบด้วยการทำอนาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้า บริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทเคล็ดลับของการทำความสงบในเวลาที่จะทำความสงบนั้นท่านให้ทำความสงบจริงๆไม่ต้องคิดถึงเรื่องการเจริญปัญญาและมีเคล็ดลับที่ช่วยให้จิตสงบง่ายคือให้รู้คําบริกรรมหรือกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆตามสบาย อย่าอยากหรือจงใจจะให้จิตสงบเพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะไปบังคับให้สงบไม่ได้ยิ่งพยายามให้สงบกลับจะยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกเมื่อจิตสงบลงแล้วจิตจะทิ้งคำบริกรรมก็ไม่ต้องนึกหาคำบริกรรมอีกแต่ให้รู้อยู่ตรงกลางความรู้สึกที่สงบนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาสู่ความเป็นปกติ ด้วยตัวของมันเอง 3.2 การแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกจิตรู้เมื่อจิตรวมสงบทิ้งคาปริกรรมไปแล้วท่านให้สังเกตอยู่ที่ความสงบนั่นเองและสังเกตต่อไปว่าความสงบนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นจิต คือตัวผู้รู้ผู้ดูอยู่นั้นมีอยู่ต่างหากสรุปก็คือท่านสอนให้แยกจิตผู้รู้ออกจากอารมณ์ที่ถูกรู้บางคนไม่สามารถทําความสงบด้วยการบริกรรมหรือด้วยกรรมฐานอื่นใดก็อาจใช้วิธีอื่นในการแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ได้ตัวอย่างเช่นนึกถึงพุทโธหรือบทสวดมนต์บทใดก็ได้ ที่คุนเคยแล้วก็เฝ้ารู้การสวดมนต์ที่แจ้วแจ้วอยู่ในสมองตนเองไปจากนั้นจึงแยกว่าบทสวดนั้นถูกรู้ผู้รู้มีอยู่ต่างหากตรงจุดนี้มีอุบายยักย้ายอีกหลายอย่างเช่นอาจจะสังเกตดูความคิดของตนเองซึ่งพูดแจ้วแจ้วอยู่ในสมองก็ได้แล้วเห็นว่าความคิดนั้นถูกรู้ จิตผู้รู้มีอยู่ต่างหากหรือตามรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆหรือตามรู้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆไปเรื่อยๆหรืออื่นๆสรุปว่ารู้อะไรก็ได้ให้ต่อเนื่องและสังเกตเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้จิตผู้รู้มีอยู่ต่างหาก หรืออย่างที่ท่านพระอาจารย์เทพเทสรังสีสิทธิอวโุโสอีกรูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนให้ลองกลั้นลมหายใจดูชั่วขณะแล้วสังเกตุความรู้สึกตรงที่นิ่งๆ่ว่างว่างนั้นแล้วทาสติรู้หยุดตรงนั้นเรื่อยๆไปเป็นต้นเมื่อแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ได้แล้วก็ให้เจริญสติสัมปชัญญะต่อไป 3.3 การเจริญสติและสัมปชัญญะให้ทำความรู้ตัวอยู่กับจิตผู้รู้อย่างสบายๆไม่เพ่งจ้องหรือควานหาคนา้นคว้าพิจารณาเข้าไปที่จิตผู้รู้เพียงแค่รู้อยู่เฉยๆเท่านั้นต่อมาเมื่อมีความคิดนึกปรุงแต่งอื่นๆเกิดขึ้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ชัดเจน เช่นเดิมมีความนิ่งว่างอยู่ต่อมาเกิดคิดถึงคนคนหนึ่งและเกิดความรู้สึกรักหรือชังขึ้นก็ให้สังเกตรู้ความรักความชังนั้นและเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นตัวจิตผู้รู้มีอยู่ต่างหากให้รู้ตัวไปเรื่อยๆสิ่งใดเป็นอารมณ์ปรากฏขึ้นกับจิต ก็ให้มีสติรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องไม่เผลอส่งจิตเข้าไปในอารมณ์นั้นตรงที่จิตไม่เผลอส่งออกไปนั่นเองคือความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะเรื่องสตินั้นเข้าใจง่ายเพราะหมายถึงตัวที่ไปรู้เท่าอารมณ์ที่กำลังปรากฏเช่นคนอ่านหนังสือ สติจดจ่ออยู่กับหนังสือจึงอ่านหนังสือได้รู้เรื่องคนขับรถสติจดจอกับการขับรถก็ทำให้ขับรถได้ฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วคนมีสติอยู่เสมอเมื่อจิตตั้งใจรู้อารมณ์แต่จะเป็นสัมมาสติได้ก็ต่อเมื่อมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวไม่เผลอควบคู่ไปด้วย ความรู้ตัวไม่เผลอนั้นเข้าใจยากที่สุดเพราะถามใครเขาก็ว่าเขารู้ตัวท้งนั้นทั้งที่ความจริงจิตยังมีความหลงคือโมหะแฝงอยู่เกือบตลอดเวลาสัมปัญญะที่ใช้เจริญสติปัฏฐานจะต้องเป็นอสัมโมหะสำปัญญะเท่านั้นยกตัวอย่างเมื่อเราดูละครโทรทัศน์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียง ใจรู้คิดนึกตามเรื่องของละครไปในขณะนั้นเรามีสติดูโทรทัศน์แต่อาจไม่มีสัมปชัญญะเพราะเราส่งจิตหลงไปทางตาทางหูและทางใจเราลืมนึกถึงตัวเองที่นั่งดูโทรทัศน์อยู่อันนี้เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะหรือไม่รู้ตัวบางคนเดินจงกรม กำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของเท้าซ้ายเท้าขวารู้ความเคลื่อนไหวของกายอันนั้นมีสติแต่อาจไม่มีสัมปชัญญะถ้าทรงจิตเผลอไปในเรื่องของเท้าและร่างกายมัวแต่จดจ่อที่เท้าและร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวจนเหมือนกับลืมตัวเองเหมือนตัวเองหรือจิตตัวผู้รู้นั้นไม่มีอยู่ในโลกเลยในขณะนั้น ความรู้ตัวหรือการไม่หลงเผลอส่งจิตออกไปตามอารมณ์ภายนอกนั่นเองคือสัมปชัญญะวิธีฝึกให้ได้สัมปชัญญะที่ดีที่สุดคือการทำสมถกรรมฐานเช่นการบริกรรมพุทโธจนจิตรวมเข้าถึงฐานของมันแล้วรู้อยู่ตรงฐานนั้นเรื่อยไปหากมีอารมณ์มาล่อทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ก็ไม่เผลอหลงลืมฐานของตนส่งจิตตามอารมณ์ไปอย่างไม่รู้ตัว 3.4 ดดูจิตแล้วรู้อารมณ์อะไรบ้างการที่เราเฝ้ารู้จิตผู้รู้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนั้นเราสามารถรู้อารมณ์ทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้แล้วแต่ว่าในขณะนั้นอารมณ์ตัวไหนจะแรง และเด่นชัดที่สุดดังนั้นเราสามารถจเจริญสติปัฏฐานได้ทั้งสประเภทในทางตรงข้ามถ้าแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ออกจากกันไม่ได้จะไม่สามารถจเจริญสติปัฏฐานทุกประเภทเช่นกันที่กล่าวว่าสมถะเป็นฐานของวิปัสสนาหรือสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาก็คือเรื่องตรงนี้เองคือถ้าขาดสมถะที่ถูกต้อง จิตจะตกเป็นาธาตุของอารมณ์ถ้ามีสมถาที่ถูกต้องจิตจะมีสัมปชัญญะรู้ตัวไม่เป็นาธาตุของอารมณ์จึงเห็นความเกิดดับของอารมณ์ชัดเจนตามความเป็นจริงได้กล่าวคือ 3.4.1 รู้กายเมื่อมีสัมผัสทางกายเช่น รู้ลมหายใจเข้าออกรู้ทางกายว่ามีอากาศเย็นมากระทบกายกายเกิดอาการหนาวสะทานขึ้นหรือเมื่อเดินกลางแดดร้อนจัดกายอิดโรยมีเหงื่อใครสกปรกชุ่มอยู่หรือเมื่อเดินจงกรมเคลื่อนไหวไปมาผู้ที่มีจิตผู้รู้จะเห็นกายสักแต่ว่าเป็นกลุ่มของาธาตุมารวมกันและเคลื่อนไหวไปมาได้ เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่เห็นว่ากายส่วนใดจะเรียกตัวเองว่ากายเลยหรือเดินจงกรมจนเมื่อยขาก็าไม่เห็นว่าขาจะบ่นอะไรได้เลยกายกับจิตมันแยกชัดเป็นคนละส่วนกันทีเดียวผู้ปฏิบัติจะเห็นกายเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนมาก 3.4.2 รู้เวทนาบางครั้งในขณะที่รู้จิตผู้รู้อยู่นั้นเราจะรู้เวทนาทางกายบ้างทางจิตบ้างและแต่ตัวใดจะเด่นชัดในขณะนั้นเช่นในขณะที่เดินอยู่เกิดเมื่อยขารุนแรงถ้าเรามีจิตผู้รู้เราจะเห็นชัดเลยว่าความเมื่อยไม่ใช่ขาที่เป็นวัตถุธาตุแต่เป็นอีกสิ่งหนึ่ง แฝงอยู่ในวัตถุธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นขาหรืออย่างนั่งอยู่ร้อนร้อนมีลมเย็นพัดมารู้สึกสบายความสบายนั้นเป็นความรู้สึกอีกตัวหนึ่งที่แทรกเข้ามาโดยที่กายไม่ได้สบายไปด้วยหรืออย่างเราปวดฟันถ้าเรามีจิตผู้รู้จะเห็นชัดว่าความปวดไม่ใช่ฟันและไม่ใช่จิตด้วยแต่เป็นอีกสิ่งหนึ่ง หรืออีกขันหนึ่งและความปวดนั้นเปลี่ยนระดับตลอดไม่ได้ปวดเท่ากันตลอดเวลาอันเป็นการแสดงความเป็นไตรลักษณ์ของเวทนาขันให้ปรากฏในส่วนของเวทนาทางจิตก็เห็นได้ชัดมากเช่นเวลาปวดฟันมีเวทนาทางกายแล้วบางครั้งจิตก็ปรงแต่งเวทนาทางจิตขึ้นมาด้วย คือเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ใจขึ้นมาหรือในเวลารับประทานอาหารที่ชอบใจแม้รถที่ยังไม่ทันสัมผัสลิ้นความสุขทางใจก็เกิดขึ้นก่อนแล้วอย่างนี้ก็มีการรู้เวทนาขณะที่รู้จิตผู้รู้อยู่นั้นจะเห็นเวทนาเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนมาก 3.4.3 ส รู้จิตจิตตานุปัสสนานั้นไม่ใช่การเห็นจิตผู้รู้หรือจิตที่แท้จริงแต่เป็นการเห็นจิตสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งที่กำลังปรากฏเช่นเห็นชัดว่าขณะนั้นจิตมีความโกรธเกิดขึ้นมีความใคร่เกิดขึ้นมีความหลงฟุ้งซ่านเกิดขึ้น มีความผ่องใสเบิกบานเกิดขึ้นเป็นต้นแล้วก็จะเห็นอีกว่าความปรุงแต่งทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีล้วนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่จิตมันเป็นแค่อารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งนี้การดูจิตหรือสังขารในขณะที่รู้ตัวหรือรู้จิตผู้รู้อยู่นั้นจะเห็นจิตตสังขารเป็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนมาก 3.4.4 จรู้ธรรมถ้ารู้จิตผู้รู้อยู่นั้นหากสภาวะธรรมอันใดปรากฏขึ้นก็จะเห็นสภาวะธรรมนั้นตามที่มันเป็นจริงเช่นขณะที่รู้ตัวอยู่จิตคิดถึงคนที่รักแล้วจิตก็ทยานออกไปเกาะความคิดนั้นคลุกคลีกับความคิดนั้นผู้ปฏิบัติ จะเห็นชัดว่าจิตเกิดความยึดว่าจิตเป็นตัวตนของตนขึ้นมาเพราะความที่จิตหลงไปยึดอารมณ์นั่นเองความเป็นตัวตนความเป็นกลุ่มก้อนความหนักได้เกิดขึ้นแทนความไม่มีอะไรในตอนแรกและถ้ารู้ทันว่าจิตส่งออกไปนำความทุกข์มาให้จิตจะปล่อยอารมณ์นั้นกลับมาอยู่กับรู้ความเป็นกลุ่มก้อนความหนัก ความแน่นหรือทุกข์ก็จะสลายตัวไปเองอันนี้คือการเห็นอริยสัจสีนั่นเองคือเห็นว่าถ้ามีตัณหาคือความทยานอยากไปตามอารมณ์ความเป็นตัวตนและเป็นทุกข์จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีความอยากทุกข์ก็ไม่เกิดการรู้สภาวะธรรมในขณะที่รู้ตัวหรือรู้จิตผู้รู้นั้นจะเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ ชัดเจนทีเดียวเช่นเห็นว่าเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้มันส่งออกไปยึดอารมณ์มันก็ไปเองถ้ามันรู้ว่าไปยึดแล้วทุกมันก็ไม่ไปเองเราจะบังคับว่าจงอย่าไปไม่ได้เลยตัวอย่างการพิจารณาหรือการดูจิต นในจอกำลังซักผ้าขณะนั้นสัญญาคือความจําภาพของสาวคนรักผุดขึ้นมาจิตของเขาปรุงแต่งราคะคือความรักใครผ่ผูกพันขึ้นมาทั้งที่ไม่ได้เห็นสาวคนรักจริงๆวิธีดูจิตนั้นไม่ได้หมายความว่าให้ในจอหันมาทําสติว่ามือกําลังขยี้ผ้าอยู่แต่ในจอ จะต้องมองเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของตนเองเมื่อเห็นกิเลสแล้วก็ไม่ใช่เกลียดหรืออยากดับกิเลสแต่การเห็นกิเลสด้วยจิตที่เป็นกลางกิเลสมันจะดับไปเองเมื่อกิเลสดับไปในจอก็ต้องรู้ว่ากิเลสดับไปเป็นต้น 2. กรณีเดียวกับตัวอย่างแรก ถ้าในจอเกิดราคะเพราะคิดถึงคนรักบางครั้งกำลังกิเลสที่แรงมากๆแม้ในจอจะรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นแต่ราคะนั้นอาจจะไม่ดับไปมิหนำซ้ำจิตของในจอยังเคลื่อนออกจากฐานผู้รู้เข้าไปเกาะกับภาพคนรักหรือหลงเข้าไปในความคิดเกี่ยวกับคนรักถึงขั้นนี้ก็ให้ในจอรู้ว่า เคลื่อนออกไปรวมกับอารมณ์แล้วไม่ต้องทำอะไรแค่รู้เฉยๆเท่านั้น 3. เมื่อจิตของนายจอมีราคะหรือจิตของนายจอเคลื่อนเข้าไปรวมกับอารมณ์นายจออาจจะสงสัยว่าเอเราควรต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานช่วยจิตหรือไม่ เพื่อให้พ้นจากอำนาจดึงดูดของราคะเรื่องอย่างนี้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติพิจารณากายอาจจะใช้การพิจารณาอสุภกรรมฐานมาเป็นเครื่องแก้กิเลสก็ได้แต่นักดูจิตจะไม่ใช้ความคิดเข้าไปช่วยจิตเขาจะทำแค่รู้ทันสภาพจิตของตนอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วจิตจะเปลี่ยนสภาพอยู่ตลอดเวลา ถ้าตั้งใจสังเกตดูเช่นกำลังราคะจะแรงขึ้นบ้างอ่อนลงบ้างความคิดเกี่ยวกับคนรักจะปรากฏขึ้นบ้างและดับไปบ้างการเคลื่อนของจิตก็อาจเคลื่อนถลข้าไปในอารมณ์บ้างแล้วก็ถอยออกมาอยู่กับรู้บ้างมันแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา4 เมื่อในจอรู้ทันจิตเรื่อยๆไปโดยไม่ได้ใช้ความคิดเข้าไปช่วยจิตในจอซึ่งเป็นปัญญาชนเคยชินกับการแก้ปัญหาด้วยการคิดอาจเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาว่าเอถ้าเราเฝ้าดูจิตไปเฉยๆเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรเราจะกลายเป็นคนโง่สมอง่อหรือเปล่าก็ให้ในจอรู้ว่า ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องคิดหาคำตอบแค่เห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นก็พอที่สุดมันจะดับไปเองเหมือนอารมณ์ตัวอื่นๆ น, นั่นเองแท้ที่จริงการที่จิตเป็นกลางรู้อารมณ์นั้นจิตเห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา และจะเห็นอริยสัจ4ี่ไปในตัวด้วยเป็นปัญญาขั้นสุดยอดอยู่แล้วที่จะปลดเปลื้องจิตจากความทุกข์ทั้งนี้ปัญญาอันเกิดจากการใช้ความคิดหรือจินตมยปัญญาซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้เก่าๆที่ปัญญาชนอย่างในจอเคยชินไม่สามารถนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกได้แต่ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาหรือภาวนามายปัญญา คือการเจริญสติสัมปชัญญะนั้นนำผู้ปฏิบัติออกจากทุกได้และมันเป็นปัญญาคนละชนิดกันหาเมื่อในจอซักผ้าไปนานๆแขนของในจอก็ปวดมือก็ลา้าในจอรับรู้ทุกเขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นแล้วสังเกตเห็นว่าความจริงร่างกายของในจอไม่ได้ปวดเมื่อยเลย แต่ความปวดเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ในกายจิตผู้รู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันสงบสบายอยู่ได้ในขณะที่ทุกทางกายเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นการเห็นความจริงเกี่ยวกับขันที่แยกออกจากกันเป็นส่วนเมื่อมองดูแต่ละส่วนไม่เห็นมีส่วนใดเลยที่เรียกว่าในจอนี่ก็เป็นสภาพอีกอันหนึ่งที่ผู้ดูจิตจะรู้เห็นได้ไม่ยาก 3.5 การดูจิตจะพลิกไปมาระหว่างสมถะกับวิปัสนาได้การดูจิตก็ดีหรือการพิจารณากายก็ดีจิตสามารถพลิกกลับไปมาระหว่างการเจริญสมถะกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานได้ในทางตำราทั่วๆไป มักจะแยกสมถะกับวิปัสนาด้วยอารมณ์กรรมฐานคือถ้าใครทำกรรมฐาน40เช่นอนุสติสิบถือว่าทำสมถะถ้าเจริญสติปัฏฐานคือรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมถือว่าเจริญวิปัสนาหรือถ้ารู้อารมณ์ที่เป็นสมมติบัญญัติถือว่าทำสมถะแต่ถ้ารู้อารมณ์ปรมัตน์ถือว่าทำวิปัสนา แต่ในแง่ของนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่เพียงเท่านั้นการจําแนกสมถะกับวิปัสสนานั้นสามารถจําแนกด้วยอาการดำเนินของจิตได้ด้วยคือถ้าขณะใดจิตมีสติรู้อารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องอันนั้นเป็นการทำสมถะและเมื่อทําไปจนจิตจับอารมณ์นั้นเองโดนไม่ต้องบังคับควบคุมหรือไม่ต้องตั้งใจแล้วจิตเกาะเข้ากับอารมณ์อันเดียว เกิดความสุขความสงบอันนั้นเป็นฌานอันเป็นผลของการทำสมถะเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติมีสติรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏในขณะเดียวกันก็มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวหรืออีกในหนึ่งผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันแล้วตามเห็นความเกิดดับของอารมณ์ปรมัตต์อันนั้นเป็นการทำวิปัสสนา และเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตจะไม่จงใจรู้อารมณ์และไม่จงใจประคองผู้รู้แต่สามารถจเจริญสติและสัมปชัญญะได้เองอันนั้นจิตเดินวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติอันเป็นวิปัสสนาแท้ที่จิตทำของเขาเองเปรียบเทียบคนที่ทำสมถะเหมือนคนที่ตกลงในกระแสน้ำว่ายอยู่ในน้ำย่อมเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจน ในขณะที่ผู้ทาวิปัสนาเหมือนคนที่นั่งบนฝั่งน้ำแล้วมองดูสายน้ำที่ไหลผ่านเฉพาะหน้าไปย่อมเห็นชัดว่ามีอะไรลอยมากับน้ำบ้างทั้งของสะอาดสวยงามและของสกปรกด้วยเหตุนี้จึงเป็นบทเฉลยที่ว่าทำไมจึงต้องหัดแยกจิตผู้รู้ออกจากอารมณ์ที่ถูกรู้ก่อนที่จะดูจิตหรือพิจารณากายอย่างหนึ่งอย่างใด ตัวอย่างเช่นหากพิจารณาอัฐิหรือกระดูกโดยใช้สมาธิเพ่งรู้รูปร่างของกระดูว่าเป็นแท่งยาวๆกลมๆอันนั้นเป็นการเพ่งเป็นกระสนดินหากเพ่งดูว่ากระดูกมีสีขาวอันนั้นก็เป็นกระสสีซึ่งการเพ่งจนจิตสงบเกาะอยู่กับรูปกระดูกก็ดีสีกระดูกก็ดีเป็นการทำสมถะ แม้การคิดว่ากระดูกเป็นเพียงธาตุขันหรือเป็นอสุภะก็ยังเป็นการทำสมถะเพราะเป็นการคิดคิดเอาหากรู้กระดูกโดยมีจิตผู้รู้ตั้งมั่นอยู่ตัางหากแล้วคิดพิจารณาไปในแง่ที่กระดูกเป็นไตรลักษณนนั้นยังไม่ใช่การทำวิปัสสนาที่แท้จริงจนกว่าจะเป็นการระลึกรู้รูปจริงๆไม่ใช่คิด และในระหว่างที่รู้กายอย่างเป็นวิปัสสนานั้นบางครั้งจิตก็เข้าไปจับอยู่กับกายส่วนใดส่วนหนึ่งนิ่งพักอยู่เป็นสมถะและค่อยกลับออกมารู้กายต่อก็มีแต่ถ้าจิตไม่เข้าพักเองแล้วกลับตะลุยการพิจารณากายจน จ, นจิตฟุ้งซ่านผู้ปฏิบัติจะต้องย้อนกลับไปทําสมถะใหม่เพื่อให้จิตมีกําลังและแยกตัวออกจากอารมณ์เสียก่อนการดูจิต ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างคือถ้าเพ่งความว่างเปล่าของจิตหรือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจิตอันนั้นเป็นสมถะหากรู้อารมณ์ปรมัติที่เกิดดับไปโดยจิตผู้รู้อยู่ต่างหากอันนั้นเป็นการทาวิปัสสนาและตามธรรมดาแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติ ด, ดูจิตอยู่อย่างเป็นวิปัสสนานั้นบางครั้งจิตก็เข้าพักในสมถะด้วยการจับนิ่งเข้ากับอารมณ์อันเดียว ผู้ปฏิบัติควรจำแนกได้ว่าขณะนั้นจิตของตนทำสมถะหรือเดินวิปัสนามิฉะนั้นอาจหลงผิดทำสมถะแล้วคิดว่ากำลังทำวิปัสนาอยู่ผู้ปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ขาดยานัทสนะไม่รู้ว่าระจิตของสิทธิ์อาจหลงผิดได้ง่ายโดยไม่มีใครแก้ไขให้เช่นเดินจงกรมกำหนดยกหนอย่างหนอ เหยียบหนอแล้วจิตไหลลงไปอยู่ในเท้าหรือหลงคิดแต่เรื่องยกย่างเหยียบไม่มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวของจิตอันนั้นเป็นการทำสมถะอย่างเดียวเท่านั้นอันตรายอีกอย่างหนึ่งของการที่แยกไม่ออกระหว่างการทำสมถะกับวิปัสสนาก็คือการเกิดวิปัสสนูกิเลส คือในระหว่างที่ทำวิปัสสนาอยู่นั้นบางครั้งจิตพลิกกลับไปสู่ภูมิของสมถะและเกิดความรู้ความเห็นหรืออาการบางอย่างทำให้หลงผิดว่าตนบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วเช่นเกิดอาการที่สติรู้อารมณ์ชัดกริบด้วยจิตที่แข็งกระด้างแทนที่จะรู้ด้วยจิตที่อ่อนโยนว่องไวควรแก่การทาวิปัสสนาหรือเกิดความรู้ความเห็นผิดเช่น แยกไม่ออกระหว่างสมมุติสัจจะกับปรามตสัจจะหลงผิดว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีทุกอย่างว่างเปล่าหมดเป็นการปฏิเสธสมมติบัญญัติคิดว่ามันไม่มีทั้งที่สมมุติเขาก็มีของเขาอยู่แต่มีอย่างเป็นสมมติเป็นต้นการที่ดูจิตแล้วจิตพลิกกลับไปมาระหว่างสมถะและวิปัสสนาได้นั้น ทำให้ผู้ปฏิบัติบางคนได้ฌานโดยอัตโนมัติทั้งที่ไม่ต้องหัดเข้าฌาน 3.6 การปล่อยวางอารมณ์หยาบเข้าถึงความว่างเมื่อดูจิตชำนาญเข้าอารมณ์ใดกระทบจิตอารมณ์นั้นก็ดับไปเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นแต่อารมณ์หยาบเช่นโกรธแรงๆจึงจะดูออกแต่เมื่อปฏิบัติมากเข้าแม้ความขัดใจเล็กน้อยหรือความพอใจเล็กน้อยเกิดขึ้นกับจิตก็สามารถรู้เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นในขณะที่ร้อนๆมีลมเย็นโชยกระทบผิวกายนิดเดียวจิตก็เกิดยินดีมีราคะขึ้นแล้วหรือปวดปัสสาวะ ก็เริ่มถ่ายปัสสาวะจิตก็ยินดีเสียแล้วหรือกำลังหิวข้าวพอเห็นเขายกอาหารมาวางต่อหน้าจิตก็ยินดีเสียแล้วเป็นต้นเมื่อรู้อารมณ์ละเอียดแล้วโอกาสที่อารมณ์หยาบจะเกิดขึ้นก็ยากเพราะอารมณ์หยาบนั้นงอกงามขึ้นไปจากอารมณ์ละเอียดนั่นเองอันหนึ่งหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆ อย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากหรือมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าจะผิดหลักการเกี่ยวกับกิจของอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเพราะยิ่งพยายามละ ก็จะยิ่งหลงผิดมากขึ้นตัวอย่างเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นในจิตท่านให้รู้เฉยๆบางครั้งผู้ปฏิบัติพยายามหาทางดับความโกรธนั้นแล้วความโกรธก็ดับได้จริงๆเหมือนกันนักปฏิบัติจะหลงผิดว่าตนเองเก่งดับกิเลสได้และเห็นว่าจิตเป็นอัตตากิเลสเป็นอัตตา ทั้งที่ความจริงนั้นกิเลสมันดับเพราะหมดเหตุของมันต่างหากเช่นเราถูกคนดา่าเราใครครวญเกี่ยวกับเรื่องที่เขาด่าความโกรธก็เกิดและแรงขึ้นเรื่อยๆพอเราคิดเรื่องจะดับความโกรธเราละเหตุของความโกรธซะแล้วคือไม่ได้คิดเรื่องว่าเขาดา่ามัแต่คิดจะดับความโกรธความโกรธหมดเหตุ มันก็ดับไปเองแต่ผู้ปฏิบัติหลงผิดว่าตนดับความโกรธได้แล้วเมื่อไปเจอกิเลสอื่นก็จะวุ่นวายอยู่กับความพยายามจะดับมันอีกเรียกว่าหางานให้จิตทำวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาการที่ผู้ปฏิบัติรู้อารมณ์เร็วขึ้นชัดเจนขึ้นตามลาดับนั้นอารมณ์ก็จะยิ่งละเอียดเข้าไปอีกตามลาดับเช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าจิตก็ดีอารมณ์ก็ดีสติสัมปัญญะหรือสมาธิก็ดีเป็นของที่อยู่ในอำนาจไตรลักษณ์เหมือนกันดังนั้นเมื่อจิตละเอียดแล้วช่วงหนึ่งมันก็จะหยาบอีกอย่าตกใจเพราะนั่นมันเป็นธรรมดาให้ตั้งหน้าปฏิบัติไปเรื่ อ, อยๆมันจะกลับดีและดีขึ้นตามลาดับ เมื่ออารมณ์ละเอียดถึงที่สุด จ, จิตจะปรากฏเหมือนว่าจิตว่างไปหมดถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติอาจลงผิดว่าตนสิ้นกิเลสแล้วความจริงความว่างนั้นก็คืออารมณ์อีกอันหนึ่งเพียงแต่ละเอียดถึงที่สุดเท่านั้นเองทุกวันนี้มีผู้ประกาศเรื่องให้ดำรงชีวิตด้วยจิตว่างทั้งที่เขาไม่รู้จักจิตว่างเลยและไม่รู้ว่า จิตว่างนั้นยังหาสาระแก่นสารเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้เพราะมันยังตกอยู่ในอํานาจของไตรลักษณ์นั่นเองและที่สําคัญก็คือคนที่คิดเรื่องจิตว่างและพยายามทําให้จิตว่างนั้นจิตยังห่างจากความว่างมากมายนักเพราะแม้จิตที่มีอารมณ์หยาบก็ยังไม่เข้าใจแม้แต่น้อย 3.7 การปล่อยวางความว่างเข้าถึงธรรมที่แท้จริงเมื่อปฏิบัติถึงขั้นที่ละเอียดเช่นนั้นแล้วหลักที่จะปฏิบัติต่อไปยังคงเหมือนเดิมคือรู้หรือดูจิตต่อไปไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดค้นวิพาษ์วิจารว่าทําอย่างไรจะปล่อยวางความว่างนั้นได้เพราะแค่เริ่มคิดนิดเดียวจิตก็จะหลงทาง เข้าสู่ความวุ่นวายสับสนอีกแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องรู้อย่างเดียวเท่านั้นการรู้โดยไม่คิดนั่นเองคือการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงและละเอียดที่สุดควรทราบว่าจิตจะหลุดพ้นได้นั้นจิตเขาจะต้องหลุดพ้นเองเพราะเขาเห็นความจริงการคิดใคร่ครวนด้วยสัญญาอารมณ์มันเป็นเพียงความรู้ขั้นสัญญาของตัวผู้ปฏิบัติ แต่ความรู้จริงของจิตนั้นจิตเขาต้องเรียนรู้เองผู้ปฏิบัติเพียงแต่ทำสิ่งที่เอื้อต่อการที่จิตจะเรียนรู้เท่านั้นคืออย่าไปรบกวนจิตให้วุ่นวายขึ้นมาอีกมีสติมีสัมปชัญญะรู้แต่ไม่คิดคนด้นคว้าใดๆในที่สุดจิตจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเองว่าจิตว่างนั่นเองไม่ใช่สาระแก่นสารตราบใดที่ยังเห็นว่าจิตเป็นตัวเรา หรือเป็นของเราที่จะต้องช่วยให้จิตหลุดพ้นตราบนั้นตัณหาหรือสมุทัยก็จะสร้างพบของจิตว่างขึ้นมาร่ำไปขอย้ำว่าในขั้นนี้จิตจะดำเนินวิปัสสนาเองไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจงใจกระทําดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครเลยที่จงใจหรือตั้งใจบรรลุมรรคผลนิพพานได้มีแต่จิต เขาปฏิวัติตนเองไปเท่านั้น 3.8 การรู้ธรรมในขั้นของพระโสดาบันและการปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตตมักเมื่อจิตทรงตัวรู้แต่ไม่คิดอะไรนั้นบางครั้งจะมีบางสิ่งพุดธขึ้นมาสู่ภูมิรู้ของจิต แต่จิตไม่สำคัญมั่นหมายว่านั่นคืออะไรเพียงแต่รู้เฉยๆถึงความเกิดดับนั้นเท่านั้นในขั้นนี้เป็นการเดินวิปัสสนาในขั้นละเอียดที่สุดถึงจุดหนึ่งจิตจะก้าวกระโดดต่อไปเองซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงขั้นตอนอย่างละเอียดเพราะผู้อ่านอาจคิดตามและปรุงแต่งอาการนั้นขึ้นมาได้การเข้าสู่มรรคผลนั้นรู้ มีอยู่ตลอดแต่ไม่คิดและไม่สำคัญมั่นหมายในสังขารละเอียดที่ผุดขึ้นบางอาจารย์จะสอนผิดๆว่าในเวลาบรรลุมรคผลจิตดับความรับรู้หายเงียบไปเลยโดยเข้าใจผิดในคำว่านิพพานังปรมังสูญยังสูญอย่างนั้นเป็นการสูญหายแบบอุดเฉททิฐิสภาพของมรคผลไม่ได้เป็นเช่นนั้น การที่จิตดับความรับรู้นั้นเป็นภพชนิดหนึ่งเรียกว่าอสั ญ, ญีีหรือที่คนโบราณเรียกว่าพรหมลุกฝักเท่านั้นเองเมื่อจิตถอยออกจากอริยมรรคและอริยผลที่เกิดขึ้นแล้วผู้ปฏิบัติจะรู้ชัดว่าธรรมเป็นอย่างนี้สิ่งได้เกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับไปธรรมาชาติบางอย่างมีอยู่ แต่ก็ไม่มีความเป็นตัวตนสักอนูเดียวนี้เป็นการรู้ธรรมในขั้นของพระโสะดาบันคือไม่เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่ตัวจิตเองเป็นตัวเราแต่ความยึดถือในความเป็นเรายังมีอยู่เพราะขั้นความเห็นกับความยึดนั้นมันคนละขั้นกันเมื่อบรรลุถึงสิ่งที่บัญญัติว่าพระโสะดาบันแล้ว ผู้ปฏิบัติยังคงปฏิบัติอย่างเดิมนั่นเองแต่ตัวจิตผู้รู้จะยิ่งเด่นดวงขึ้นตามลำดับจนเมื่อบรรลุพระอนาคามีแล้วจิตผู้รู้จะเด่นดวงเต็มที่เพราะพ้นจากอานาจของกามการที่จิตรู้อยู่กับจิตเช่นนั้นแสดงถึงกําลังสมาธิอันเต็มเปี่ยมเพราะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิคือกามได้ถูกล้างออกจากจิตหมดแล้ว ผู้ปฏิบัติในขั้นนี้หากตายลงจึงไปสู่พรหมโลกโดยส่วนเดียวไม่สามารถกลับมาเกิดในภพมนุษย์ได้อีกแล้วนักปฏิบัติจำนวนมากที่ไม่มีครูบาอาจารย์ชี้แนะจะคิดว่าเมื่อถึงขั้นที่จิตผู้รู้หมดจดผ่องใสแล้วนั้นไม่มีทางไปต่อแล้วแต่หลวงปู่ดูลอตุโลกลับสอนต่อไปอีกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ พบจิตให้ทำลายจิตจุดนี้ไม่ใช่การเล่นสนวนโวหารที่จะนำมาพูดกันเล่นๆได้ความจริงก็คือการสอนว่ายังจะต้องปล่อยวางความยึดมั่นจิตอีกชั้นหนึ่งมันละเอียดเียจนผู้ที่ไม่ละเอียดพอไม่รู้ว่ามีอะไรจะต้องปล่อยวางอีกเพราะความจริงตัวจิตผู้รู้นั้น ยังเป็นของที่ตกอยู่ในอานาจของไตรลักษณ์บางครั้งยังมีอาการหมองลงนิดๆพอให้สังเกตเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันแต่ผู้ปฏิบัติที่ได้รับการอบรมเรื่องจิตมาดีแล้วจะเห็นความยึดมั่นนั้นแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รู้ทันเท่านั้นจิตจะประคองตัวอยู่ที่รู้ไม่คิดค้นคว้าอะไรมันเงียบสนิทจริงๆ จุดจิตจะปล่อยวางความยึดถือจิตจิตจะเป็นอิสระเปิดโล่งไปหมดไม่กลับเข้าเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ใดๆที่จะพาไปก่อเกิดได้อีก 4. บทสรุปคำสอนของหลวงปู่ดูลอัตตุโล 1> 4. 1ธรรมเรียนรู้ได้ที่จิต 4.2 ให้บริกรรมเพื่อรวมอารมณ์ให้เป็นหนึ่งสังเกตดูว่าใครเป็นผู้บริกรรมพุโทโธ 4.3 ทำความเข้าใจในอารมณ์ความคิดนึกสังเกตกิเลสที่กำลังปรากฏให้ออก 4.4 อย่าส่งจิตออกนอก อย่าให้จิตคิดส่งไปภายนอกหรือเผลอให้สังเกตความหวันไหวหรือปฏิกิริยาของจิตต่ออารมณ์ที่รับเข้ามาทางอายตนะทั้ง6 4.5 ต้องทำยานให้เห็นจิตเหมือนดั่งตาเห็นรูปคือรู้ทันพฤติของจิต 4.6 รู้เพราะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดคืออย่าไปห้ามความคิด 4.7 แยกรูปถอดคือความปรุงแต่งก็ถึงความว่างแยกความว่างถึงมหาสุญญตา 4.8 สรุปอริยสัจแห่งจิตจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ